ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณานะทะวินิตสูตรเนี่ยคือพระปุณณมันตานีบด์เนี่ยนะเมื่อเข้าไปเฝ้า<ช>พระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดพระเชตวันหลังจากที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงกระถาวัตถุโดยอนันตไนเรียกว่าเป็นการแสดงแบบพิสดารให้พระ ปุณณมันตานีบทฟังหลังจากที่พระปุณณมันตานีบทเนี่ยฟังธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้เห็นแจ้งอาถานสมาทานร่าเริงด้วยธรรมีกถาท่านก็มีใจชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาะสิทิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เข้าไปยังป่าอันถวันเหตุผลหลักก็คือว่าป่าอันถวันนี่สงบเงียบเนี่ยน ะ, ะเหมาะที่จะหลีกเร่นเหมาะที่จะเข้า พระสมาบัติภะษารีบุตรนั้นพูดถึงภาษารีบุตรว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองราชครึกพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสถามถึงพระภิกษุรูปที่ตั้งอยู่ในกถาวัตถุสิบและเป็นผู้โอวาทสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกถาวัตถุสิบซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีกระถาวัตถุศีลด้วยตัวเองก็หมายความว่าตัวเองเป็นผู้มากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญา ว, วิมุตติยัญทัศนะท่านมีคุณสมบัติอยู่ในตัวทั้งสิประการอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วท่านก็ยังมีใจเอื้อเฟื้อมีกรุณาเนี่ยนะมีกรุณาวางที่จะช่วยให้ผู้อื่นดำรงอยู่ในคุณธรรมเช่นต้นคือกระถาวัตถุศีนท่านจึงให้ โอว่าเกี่ยวกับกรถาวัตถุสิบตามพระ่ำสอนกรถาวัตถุสิบทาให้ผู้อื่นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานร่าเริงอันนะในกรถาวัตถุสิบประการพระพิสูจทั้งหลายสรรเสริญพระปุณณะมัณฑนีบุตรในเรื่องกรถาวัตถุสิบต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาด้วยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าพระปุณณะมัตานีบุตร มีความสามารถเช่นนั้นจริงๆบัณฑิตทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ด้วยบัณฑิตเพราะบัณฑิตเช่นพระสารีบุตรก็ไม่ยอมที่จะพลาดโอกาสปรารถนาที่จะเห็นพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยนะทำอย่างไรนาะจะได้พบปะสนทนาอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งกับท่านพระปุณณมันตานีบุตรผู้ที่เพื่อนสัพพมจารีสรรเสริญต่อหน้าพระพักหรือต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็อนุโมทนาและเรื่องที่ยกมาสรนเสริญนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทาวัตถุสิประการเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสควรจะได้สนทนาภาษาฤาษีบุตรไม่เคยพบพระปุณณะมัณฑนีบุตรมาก่อนทีนี้ภาษาฤาษีบุตรนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยน ะ, ะท่านมักจะหลีกเร้นบ้างครั้งค ร, งคราวหรือไปเที่ยวแสดงธรรมตามที่ต่างๆเมื่อมีผู้ที่เขานิมนเช่นว่าอนาถบินทิกาหนิมน์ไปแสดงธรรมที่บ้านเป็นต้นเนี่ยนะ ก็ท่านก็มีกิจหรือบางทีก็จาริกไปตามที่ต่างๆทีนี้ท่านก็บอกลูกศิษย์ของท่านบอกพระเนรที่พี่เป็นลูกศิษย์แล้วโดยเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดพระศาสดาก็บอกแนะนำไว้ว่าสันเสริญไว้บ่อยๆว่าถ้าพระปุณณะมาช่วยบอกผมด้วยนะยนี่นะแล้วก็ฝากข้อความสั่งเสียไว้เลยวางกันเถอะถ้ามีพระรูปใดชื่อว่าปุณณะมาช่วยบอกด้วย สมัยพุทธกาลมีพระปุณณะอยู่สองรูปอ่อขออภัยปุณณะปุณณะนี่รูปเดียวเนาะเออปุณณะสองรูปใช่ปุณณะรูปหนึ่งก็คือปุณณะมัตานีบุตรชาวก บ, บิลพัทอีกรูปหนึ่งคือปุณณะมัตานีบุตรชาวสุนาปรันตะชนบทซึ่งก็ถือว่าเป็นพระยุคหลังแล้วอันนี้เป็นยุคต้นๆยุคสมัยแรกๆเลยเนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สองสมปี ถือว่าเป็นพระพิสุรุ่นรุ่นแรกเลยนะที่มีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาเต็มเปี่ยมปานก็วางพระพิสูรพระพิสูุนี้มีอยู่วันหนึ่งเมื่อพระปุณณะ เ, เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระขันตกุตีพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมนั้นจะเรียกชื่อแล้วสแสดงอย่างนี้ก็ชื่อว่าความมักน้อยนะปุณณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าความสันโดษนะปุณณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าความไม่คลุกคลีนะปุณณะอย่างนี้ก็ชื่อว่า วิเวกณปุณณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าปรารบความเพียรณปุณณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลณปุณณะซึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโดยปริยายต่างๆเกี่ยวกับกถาวัตถุโดยอนันต น, นาญนัยนัยไม่มีที่สุดเนี่ยนะประดุจชี้ให้ดูทะเลง่เหมือนชี้ให้ดูทะเลเนี่ยนะซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากสาหรับพระพิสุผู้ได้ปฏิสัมพิธาเช่นพระปุณณมันตานีบตรนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากคือฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วก็ สบายใจเพราะพูดในสิ่งที่ท่านมีและพระพุทธเจ้าก็แสดงในสิ่งที่ท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็แสดงในสิ่งที่ท่านโอวาทพร่ำสอนทีนี้ความที่ท่านเนี่ยเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาวิสัยของสาวกกศาสดาต่างกันอยู่แล้วนะสาวกเป็นผู้ที่ชื่นชมโอวาทอนุสาสนีของพระศาสดาสาวกยินดีที่จะปฏิบัติตาม พระศาสดาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนที่เป็นอนันตนาญ ย, ยะที่กว้างขวางเนี่ยนะสามารถพินิจพิจารณาได้เนี่ยท่านถือว่ามันเป็นความสุขเนี่ยนะเป็นความสุขทางโลกทั้งหลายเขามีความสุขกับการอะไรอาจจะได้รับวัตถุเข้าของเช่นของขวัญที่ตัวเองปรารถนามานานแล้วและคนที่ที่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่เราพอใจเป็นต้นโดยมากก็จะมีความสุขใช่ไหมหนึ่งของสิ่งนั้นเราก็ต้องการ 2. คนที่ให้เราก็ไม่ใช่คนที่เรารังเกียจเป็นคนที่เราเต็มใจที่จะรับยินดีที่จะรับในลักษณะเนี้ยก็จะมีความสุขฉันใดในทางธรรมนี่ไหนี้ก็เหมือนกันสาวกยินดีที่จะรับอริยทรัพย์อริยธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นที่เคารพของบุคคล น, นั้นเช่นพระเรียเจ้ายิ่งกว่าชีวิตเนี่ยนะ ท่านรับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยให้โอวาดคําสอนซึ่งท่านก็เห็นว่าโอวาทานุศาสนี ค, คําพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าคู่ควรแก่อัตตะธรรมคู่ควรแก่พระนิพพานอย่าว่าคู่ควรแก่สวรรค์และพรหมโลกเลยเป็นธรรมที่มีคุณหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็มีปีติชื่นชมสมนัตในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาจึงเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรม สตททินสีนี้มีกําลังมากเนยนะสัททินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีปัญญินสีนี้มีกําลังมากแล้วเขาเป็นผู้มีปัญญาเขาฟังและเป็นภาษาของเขาเขาเข้าใจทันทีเลยเนี่ย νε. และเขาเองมีอัธยาศัยที่จะรู้ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะพระอริยะสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยะก็ตามเนี่ยท่านท่านคิดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าต้องการบอกอะไรคือเขาเข้าข้างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ผู้ศึกษาพระธรรมสมัยก่อนเขาเข้าข้างพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าต้องการจะบอกอะไรเอะแล้วเราเข้าใจอย่างที่พระองค์บอกไหมกลัวมากเลยกลัวจะเข้าใจผิดอย่างที่กลัวจะเข้าใจผิดจากที่พระองค์บอกนะแต่ก็แต่ถ้าเทียบกับสมัยใหม่เนี่ยนะเท่าที่สังเกตดูปริมาณจํานวนมากนะพยายามจะให้พระพุทธเจ้ามาเข้าใจเราว่าเออเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าน่าจะ ช่วยเราอย่างนี้หน่าน่ า, จ ะ, งงนนาจะอย่างนั้นน่าจะอย่างงี้คล้ายๆออกมาในรูปลักษณะนี้ซะสัปริมาณมากไม่ได้โอนไปตามพระพุทธเจ้าสังเกตอันนี้หนึ่งก็คือว่าให้พระพุทธเจ้าโอนมาหาตัวให้พระธรรมนี่โอนมาหาตัวพระธรรมหน้าจะง่ายใช่ไหมเราก็จะได้ ง, ง่ายที่ใจได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบพยายามจะโอนไปหาพระธรรมนะให้พระธรรมนี่โอนมาหาตัวมาแท้ให้เขาปรุงแบบคล้ายๆว่าโจ๊กเลยนะให้มันง่ายที่สุดเลยถ้าจะใส่หลอดดูดได้นะ่ะประเภทนั้นน่ะ ซึ่งก็ประกาศว่าอะไรอย่างนี้คนป่วยชัดๆเลยอนะไรถ้าเป็นทางรู ป, ปรธรรมเนี่ยนะถ้าต้องการอาหารใส่หลอดทางสายยางด้วยเนี่ยอา้านี่ป่วยเนี่ยที่ไหนได้คนไม่สบายชั้นใดก็ดีผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่ า, เ, าเราไม่มี อัธยาศัยที่จะเพ่งพินิษฐ์พิจารณาคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยป่วยนะไม่สบายหลายเรื่องด้วยกันมันก็เพียงที่จะรักษาโรคโรคโรคใจเนี่ยนะรักษาให้ดีทํำยังไงเน า, ะ, าะโรคคือความไม่มีศรัทธาจึงจะหมดไปเนี่ยนะเพราะความไม่มีศรัทธานับว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มันเสียดแทงใจเนี่ยนะแล้วก็โรคอะไรว่าเสียดแทงมันทิ่มแทงแล้วมันเสียดแทง โรคคือความไม่มีศรัทธามันก็ทิ่มแทงเสียดแทงหัวใจโรคคือความเกลียดคร้านมันก็เสียดแทงหัวใจเนี่ยนะมันยิ่งกว่าแบบอะไรไข่น็อตตึงไว้ตรงนั้นอีกนะหนักกว่า น, นั้นเยอะเนี่ยนะเพราะมันเหมือนกับใจเนี่ยไม้ถูกไม้ลูกชิ้นเนี่ยนะทิ่มลงไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วก็สติเอ่อความหลงลืมสติหรือความประมาทก็นับว่าเป็นโรคทางใจความฟุ้งซ่านก็เป็นโรคทางใจแล้วก็ความโง่เขลา ความไม่รู้ด้วยไม่ต้องการจะรู้ด้วยไม่อยากรู้ด้วยไม่เคยฟังด้วยแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโรคทางใจเนี่ยโรคที่รักษายากเยียวยายากฉะนั้นก็ต้องแก้โรคอันนั้นให้ตามสมควรนั่นแหละจึงจากประพฤติพรหมจารหรือประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะโอนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องระลึกไว้เสมอว่าเรานี่เป็นผู้จมอยู่กับกองทุกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ ผลทุกข์เพราะฉะนั้นต้องยืนอยู่ในยืนอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าพายืนปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติสิเราจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติแบบเราเราก็ไม่พ้นจากทุกข์อยู่แล้วมันเราต้องตั้งใจว่าจำทําอย่างไรเราจะประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดเราจึงจะพ้นทุกข์ถ้าทําตามคําสอนไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะ นี้ย้อนกลับมาว่าพระอริยาสาวกทั้งหลายเนี่ยนะผู้ได้กถาวัตถุสิบเช่นพระสารีบุตรเองพระสารีบุตรคือก็เป็นผู้ที่มีกถาวัตถุสิบแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นในเรื่องของกถาวัตถุสิบเหมือนกันเนี่ยนะพอเครว่าเจออะไรนะได้ข่าวว่าคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็อยากจะพูดคุยกันมากเนี่ยนะอยากจะสนทนาด้วยอยากจะอะไระเพราะมีอัธยาศัยเหมือนกันมีแนวความคิดเหมือนกันมีศีลเสมอกันมี มีศีลเสมอกันมีสมาธิเสมอกันมีปัญญาเหมือนกันแต่ต่างระดับกันนะขีดความสามารถแตกต่างกันแต่ก็มีปัญญาเหมือนกันเพราะก็คือภาษาบุตรมีเป็นต้นก็เป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะก็คือเป็นพระอริยเจา้าเป็นพระอรหันเนี่ยนะเป็นผู้ที่สร้างสมบูรณ์บารมีมาเหมือนกันมันก็ปรารถนาที่จะพบเห็นได้สนทนากันในข้อ295หน้า349 ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาพระสารีบุตรเนี่ยนะแล้วก็บอกข่าวแจ้งข่าวว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรที่ท่านได้สรรเสริญอยู่เนืองเนืองนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอาหารรื่นเริงร่าเริงด้วยธรรมีกถาแลว้ว ท่านพระปุณณะก็ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักศิลหลีดไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในตอนกลางวันเพื่อพักกลางวันพักกลางวันไม่ใช่หาที่นอนนะหมายก็ว่าหาที่ไปเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะหาเข้าที่เข้ารูปฌานหาสถานที่เข้าอารูปฌานหาสถานที่ปรารบสมถะเล วิปัสสนาเพื่อเข้าทั้งสมาบัติหรือเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นอันนี้เรียกว่าการหลีกเล่นของท่านหรือหาที่พักเนี่ยนะลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรรีบถือผ้านิสีธนะผ้าปูนั่งหรือว่าผ้า ท, ท่อนหนังเนี่ยนะผ้าปูนั่งติดตามท่านพระปุณณมันตานีบุตรไปข้างหลังข้างหลังพอเห็นสีรษะกันได้ก็เดินไกลรีบๆพอมองเห็นกัน ท่านพระปุณณะมันตานีบทพอเข้าไปในป่าอันธวันแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งภาษาลีบรก็เข้าไปสู่ป่าอันธวันแล้วก็นั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันคือท่านก็รู้นะว่าพระปุณณะท่านจะทำอะไร น, นะก็คือจะเข้าพระสมาบัติเป็นต้นท่านก็ไปนั่งเข้าพระสมาบัตินั่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นั่นนะแต่ก็ยังรู้ว่าไม่ใช่เวลาที่จะสนทนากันนั่นนะ คือคนที่เขาเป็นศักบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะสัตบุรุษเช่นกับพระอริยเจ้ามีภาษาริบดุตเป็นต้นท่านเหล่านี้เป็นกาลันอยู่บุคคลนะรู้ว่ากาลนี้ควรจะทําอะไรกาลนี้เวลานี้ควรจะทําอะไรท่านเป็นอัตถันอยู่บุคคลเป็นรู้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยอัถะเนื้อความผลทั้งปวงเนี่ยคืออะไรและท่านเป็นธรรมันอยู่บุคคลรู้ว่าผลทั้งหมด เ, เหตุทั้งหมดมาจาก อะไรท่านเป็นอัตถันยูทำมันยูแล้วก็รู้ความแตกต่างของบุคคลว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรท่านรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยอัตตันยูเนี่ยเป็นอย่างไรท่านรู้ขีดความสามารถรู้พลักาลังรู้ศรัทธาศีลเป็นต้นของท่านเป็นอย่างดีรู้จนถึงว่าท่านมีปฏิภาณเพียงใดและรู้ด้วยว่าอีกฝ่ายตรงกันข้ามบุคคลอื่นนั้นเขาเป็น เช่นไรเนี่ยนะแล้วเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงนั้นท่านจะรู้ความเหมาะสมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยนะนั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่บริหารเก่งมากเลยนะโดยเฉพาะบริหารอะไรบริหารอะไรบริหารความคิดเนี่ยนะบริหารกายบริหารวาจาแล้วก็บริหารใจเป็นอย่างดีสมัยไหนควรพูดสมัยไหนควรนิ่งสมัยไหนควรยืนควรเดินควรนควรนอนแม้แต่ความคิดสมัยไหนควรคิดเรื่องอะไรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยท่านเก่งมากเลยนะเพราะจริงๆแล้ว ถ้าเทียบแม้กระทั่งทางโลกก็เหมือนกันทำธุรกิจมันก็มีอะไรากายกรรมวจิกรรมมนกรรมมันก็มีเท่านี้แหละผู้ถูกการผู้ถูกเวลาผู้ถูกเหตุถูกผลมันก็ได้สาเร็จประโยชน์และตรงกันข้ามถ้าผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาฉันใดผู้ที่สแสวงหาผู้ที่รักษาศีลทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันนะนั่นพระเรียเจ้าทั้งหลายก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะ